ท, ทุกท่านมาเพื่ออัดเพื่อทำความมุ่งมาเพื่ออัดเพื่อทำนี้ตรงกับหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อมาผลานิพพานแก่บรรดาสัตว์มีฝ่ายภิสุเป็นต้นเยตนาของผู้บวช กับเจตนาของผู้สั่งสอนวิเจตนาของพระพุทธจักเข้ากันได้เลยผลที่แสดงออกย่อมเป็นความถนัดสุดเจียาที่แสดงออกของผู้มีเจตนาเป็นสิงเป็นธรรมอย่าง ใจม่นใจอยู่แล้วนั้นจะเป็นกิริยาที่น่าดูทุกสิ่งทุกอย่างไม่แสลงงูแสลงตาในเวลาพูดหรือกิริยาของการที่แสดงออกตั้งเป็นไปเพื่อความสวยงามเป็นไปเพื่อเหตุผลอย่างการพูดทุกทุกประโยคนหนือการฟังการพูดการสนทนาระหวา่างพระด้วยกัน ซึ่งเป็นผู้มุ่งตอบความจริงด้วยกันก็พูดอย่างมีเหตุมีผลพูดไม่ยึดไม่ถือยุติมานะความสูงต่ำตลอดความรู้วิชาวงสกุลไม่นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ่งนอกจากหลักความจริงที่จะพึงได้รับจากกันและกันในขณะที่สนทนาหรือพูดจาปราศัยซึ่งกันและกัน ในครั้งพุทธการท่านก่อแสดงไว้แล้วการเลนะธรรมสะสาธรรมสะสักดฉาเอตัมมังคารมุตตาการศึกษาสนทนากันตามการตามเวลาในบรรดาธรรมทั้งหลายนั้นท่านว่าเป็น ม, ง, มงคมงคลอันสูงสุดไม่สนทนาไม่ได้คุยกันแบบ อวดรู้อวดฉละาดต้นเรียนมากเรียนสูงมีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้แล้วเอาความสำคัญในชั้นผมนั้นมาเป็นตัวของตัวมาเป็นเหติยศชื่อเสียงมาเป็นความรู้วิชามาเป็นพิธีมานะแล้วแสดงออกเปิดความกระทบกระเทือน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 ผู้ฟังก็ฟังเพื่ออัดเพื่อทำฟังเพื่อความจริงด้วยกันพูดกันเท่าไรฟังกันเท่าไรก็ยิ่งได้ยิ่งได้รับผลประโยชน์ไปโดยลำดับไม่เฝอคําพูดก็ไม่เฝอการฟังก็ไม่มากไปอันนีอยู่เอตัมมังคารมุตังมีเราทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆ ล้วนมีอุปชาอาจารย์ด้วยกันทุกคนลูกเกิดขึ้นมาต้องมีพ่อมีแม่พระที่บวชมาก็ต้องมีอุปชากรรมาวาจยการนอกจากนั้นยังได้รับการอบรมตามสถานที่หรือโอกาสมีความรู้วิชา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 มีความรู้สึกในแน่ต่างๆผิดกันตลอดถึงจุยามอาการที่แสดงออกต่างกันก็ต่างแต่สิ่งที่รวมกันได้ให้ชนิดได้แกส่สีน่าได้แก่ธรรมใครจะมีอากัศจิริยาะดิตนิสัยอย่างไรก็ต่างมีธรรมเป็นเครื่องยืนยันเครื่องรับรองเครื่องดำเนินเครื่องปฏิบัติ ย่อมอยู่ด้วยกันได้เป็นผาสุขไม่มีที่จะเกิดความรักแยกระขายขึ้นกันแลกันว่าองค์นั้นทําอย่างนั้นอง์นี้ทําอย่างนี้จนถึงกับเกิดความทะเลาะบอกแย่งกันขึ้นอย่างนั้นไม่มีเพราะความทะเลาะบอกแย่งนั้นเป็นสาเหตุมาจากทิฏฐิมานะความไม่ลงกันไม่ฝ่ายใดก็ต้องฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ผิด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 ผู้เป็นต้นเหตุทำให้คนอื่นได้รับความขอโทษเทือนถึงต้องถึงกับต้องทะเลาะเบาแวงกันนั้นผู้นั้นมีโทษหนักหรือมีความผิดมากกว่าผู้ที่สองมากกว่าผู้กรณีที่พูดทะลอะวิวาสนนถ่าต่างองค์ต่างมีธรรมมุ่งรลักความจริง <c oughs> เป็นหลักใจ อยู่แล้วนั้นเรื่องดังกล่าวนี้จะไม่เกิดขึ้นได้เลยเพราะต่างคนต่างองค์ดูจิตใจของตนอยู่เสมอใจเป็นที่แสดงออกแห่งเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆผิดถูกด้วดีเจ้าของเป็นผู้รักษาคอยกำกับดูเลย ด้วยความมีสติยอมจะทราบการแสดงออกของผิดแม้แต่เพียงคิดเฉยๆก็พอทราบได้ว่าผิดถูกดีชั่วกับการใดหมายถึงกับต้องแสดงออกมาทางกริยามายาสให้คนอื่นได้เห็นความเป็นผู้จมงวดกวดขันระมัดระวังรักษา ความเคลื่อนไหวของใจที่เป็นต้นเหตุเป็นตัวอยู่เสมอด้วยกันอยู่แล้วเรื่องอะไรๆจะไม่เกิดเพราะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เราถือว่าเป็นข้าศึกอยู่ในหัวใจของเราทุกๆท่านอยู่แล้วไหนเราจะไปส่งเสริมสิ่งที่ผิดนั้น ออกมาอย่างออกหน้าออตาถึงกับเกิดการทะเลาะบอกแวงกันขึ้นซึ่งเป็นความอยากไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อเพื่อทำอย่างแท้จริงเลยอยู่ว่าขวางกันอย่างดี <c oughs> แตงนี่เราไม่เป็นอย่างนั้นแต่การกล่าวทั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องหมู่คณะต้องพูดทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกทั้งความสงบและความไม่สงบ เป็นไส์มาเพราะแอบเด็กเข้าใจกันไว้ลูกสิทธตถากฎมีกี่องก็เป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันมีความรักความสนิทกันยิ่งกว่าวงใดทั้งหมดวงลูกสิทตถาตฎนี้เป็นวงอักวงธรรมเป็นวงที่ไม่อกไว้ใจได้เพราะตนเป็นผู้เชื่อตนเองแล้วด้วยธรรม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 ลูกสิตธาคตคือภิกษุบริษัทธนี่กาวถึงเรื่องที่อยู่ด้วยกันแต่มาจากชาตชั้นวันะใดฐานะใดก็ต่างนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะนำมาคิดเพราะเป็นเรื่องของโลกที่เขาถือกันอย่างงมงาย เรื่องที่นำมาคิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนและความร่วมเย็นในหมู่เพื่อนด้วยกันก็คือธรรมรวมทั้งหมดที่มาอยู่ด้วยกันนี้คือมนุษย์ด้วยกันใครจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดมาจากสกุลใดประเทศชาติบ้านเมืองใดก็ตามเป็นมนุษย์ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบหาที่ตาหนิหรือที่บกพร่องไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงมีความเสมอภาคกันด้วยความเป็นมนุษย์และบวชเข้ามาในพระศาสนาจากอุปชัยยะใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือได้สมมุติอันขึ้นแล้วด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมหลักวิ น, บบนัยและการบวชถูกต้องตามหลักพระวินยัยโดยสมบูรณ์ตามขั้นของสมมุตินั้นแล้ว ก็ยอมเป็นทะโดยสมบูรณ์เหมือนกันเพราะฉะ น, นั้นจึงเรียกว่าเป็นสมานสังว่าคือมีความอยู่เสมอความเป็นอยู่เสมอกันไม่นิยมว่าชาติทั้นวรรณะสูงต่ำประการใดเมื่อสากยบุตรพุทธกินนโรตนโรตคือนักบวชนักปฏิบัติ ตามร่องรอยของพระโพธิจักรได้ดำนลอนตนไปดังที่กล่าวมาแล้วนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นฐานสุขสบายตนเองก็ไม่ขวามตัวเองภายในจิตใจคนอื่นก็ไม่ได้รับความกระทบกระถท่ยอาหารปัจจัยมีมากน้อยแยกจายกันเฉลี่ยกวัวแพ่กันให้ทั่วถึงด้วยความจงรักภักดีต่อกัน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 จึงนำไปแจกแบ่งให้ถูกต้องด้วยความเป็นธรรมเช่นเดียวกับที่เขามาให้มาด้วยความเป็นธรรมจะมั่งเสมอกันไปหมดนี่คือความฐาสุขของพระเราออกจากสกุลใดมาก็ตามสกุลนั้นๆไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องในวงของพระให้มีแต่เรื่องของพระร้วนๆแล้วอยู่เป็นฐาสุขถ้านำวงนำสกุลนำ ถ้าท่านวันนะนําวิทยาฐานะความรู้ทั้นนั้นทั้นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนั่นแหละคือตัวไฟมันมาเผาหัวใจตนเองทำให้เยื่อยิงจองหองแล้วเหยียดย่ำทำลายผู้อื่นดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นลงได้อย่างไม่พลาดไ น, น่นนั่นคือสิ่งที่จะทำความแต ก, กร้าวแกกันกันให้เกิดขึ้นเพราะมีความหลงล้าต่ำสูง เกิดขึ้นในวงแห่งพระซึ่งเป็นวงสมารังษ์วาตคือความเสมอภาค่ากันต์การโดยทบุญอยู่แล้วพระพุทธเจ้า ท, างทรงถือนักหนาธรรมัตรวะวัตแม่นำธาตุชั้นวันนะอธิยถานนะความมั่งมีดีจนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในวงของพระใครเข้ามาบวช นศาสนาเป็นลูกกิจตถาคตทั้งนั้นนับตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมาถึงพวกค้าประชาชนคนธรรมดานั้นเราแยกไปเฉยเป็นสมมุติแต่ละเนื้อละเนื้อลักใหญ่ก็คือความเป็นมนุษย์ด้วยกันโดยสมบูรณ์แบบแล้วบวชขึ้นมาเป็นพระเป็นเลนก็ต้องเป็นพระเป็นเลนสมบูรณ์แบบถ้าอุปชายหรือการบวชนั้นถูกต้องตามหลักธรรมอย่างไรบี่ในที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว เกงอยู่ด้วยกันเป็นผาสุก น, นีการประพฤติปฏิบัติธรรมะเมื่อต่างองค์ต่างอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่มีร่าะอายกายซึ่งกันและเป็นเหมือนนวัยวะเดียวกันอยู่แล้วการประกอบความเพียรทุกแหน่ทุกมุมทุกอิรยาบถ ท, ทุกอาการแห่งความเพียรที่เราจะดําเนินตามความถนัดใจยอมเป็นไปเพื่อความสงบสุขไม่มีนิวรณ เครื่องจีดขวางหรือขัดขวางภายจิตใจเพราะอารมณ์อันไม่ดีงามเพิ่งเกิดเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนเข้าไปรบกวนจิตใจก็สงบได้งายแล้วเบื้องต้นในก่าวแร้ ว, ว่าสาานาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงแสดง ด้วยพระเจตนาอันบริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีเจตนาของผู้ใดจะ บ, บริสุทธิ์เต็มไปด้วยพระเมตตาเหมือนพระเจตนาของพระพุทธเจ้าทรงมุ่งต่อสัตว์โลกโดยทุ่มไม่มุ่งต่อโลกาภิทธิใดๆแม่น้อยเลยผู้บวชเข้ามามีความมุ่งหวังเพื่ออาดเพื่อทำเพื่อมรักผลนิพพานตามพระเจตนาที่ ทรงแสดงออกคือการประกาศประากาศศสนาไว้แล้วผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับมรดกตามศาสนาธรรมที่แต่ทานไว้เก่งขัง้งพุทธการท่านว่าองค์นั้นสําเร็จพระโสดาองค์นั้นสําเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสาเร็จพระอานาคาองค์นั้นสําเร็จพระรหัตทหาร อยู่ในสถานที่นั่นที่นั้นเช่นในป่าในเขาในถ้ำเหนองผาเป็นต้นนี่คือท่านผู้ ต, ตักตวงเอามรรคผลนิพพานตามหลักสวขคารธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะพระศาสนาเป็นธรรมชาติที่ทรงคุณค่าไว้โดยสมบูรณ์ทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผล ปายเหตุก็ทรงแนะนําสั่งสอนไม่โดยถูกต้องไม่มีแง่ใดที่จะผิดเพี้ยนไปอันเป็นเหตุที่จะให้ขัดต่อผลซึ่งจะพึงเกิดขึ้นไม่ได้เหตเุเป็นทางเดินเปิดทางให้ผลปรากฏขึ้นเกิดขึ้นโดยลําดับของผู้ปฏิบัติถูกตามเหตุคือประการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบดังท่านกล่าวไว้ว่าสุปฏิปันโนอุชุ ญ, ญะสามีปิปฏิบันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงไปตรงมาตามหลักธรรมหลัก น, นิยมญาแยปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อมรักผลนิพพานคือเพื่อผอนถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจของตนออกไปโดยลำดับด้วยญาแยปฏิบัติสามีิจิปฏิบัติหนึงสวยงามมากน่ากราบมากดูช่ ตนเองก็หาที่ตําหนิตนเองไม่ได้แล้วคนอื่นจะมาตาหนิได้อย่างไงที่ตนเองตําหนิตนเองไม่ได้ไม่ใช่ ต, น, ตนเป็นผู้เสียสั น, นตัญญาตนว่าดีไปเสียทุกอย่างทั้งทั้งสี่สิ่งนั้นไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นคือตําหนิตนเองไม่ได้ด้วยการปฏิบัติว่าด้ผิดเพี้ยนจากหลักธรรมหลักวินยัยข้อไหนไปไม่มีเลยมีแต่โรงแนวไปตามหลักธรรมหลักวินยัยนั้นหลัตนเองก็ติเตียนตนเองไม่ได้ แล้วคนอื่นแม้เขาจะมาตำหนิติเตียนก็มันเป็นเรื่องของปากคดไม่มีประมาณหัวใจโลกหาประมาณไม่ได้เมื่อหัวใจหาประมาณไม่ได้แล้วเครื่องมือที่จะนำมาใช้เช่นปากเป็นต้นกิริยาที่แสดงออกจะหาประมาณได้เราไม่ถือมาเป็นกฎเกณฑ์หลักหรือกฎเกณฑ์ของเราที่ปฏิบัติดำเนินและถวาย ชีวิตจิตใจว่าอยู่เป็นประจําทุกลมหายใจของเราเรียกว่าเป็นพื้นในหัวใจของเราอยู่แล้วนั้นคืออะไรก็คือพุทธทางธรรมังสังขังสลังขชมเราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายทุกสิ่งทุกอย่างฝากไว้กับพระธรรมเราไม่ได้ฝากไว้กับปากหรือรียามายาของโลกที่หาประมาณไม่ได้ง พอใจเขาก็ชมเชยไม่พอใจเขาก็ตํำหนิกิริสินิพพ์โลกกะระทำเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกเราเรียนธรรมะเราต้องให้รู้เรื่องของโลกกะระทำซึ่งมีอยู่ในโลกเช่นเดียวกับธรรมดีชั่วมีอยู่ในโลกจะไม่ให้มาสัมผัสสัมพันธ์เราเป็นไปไม่ได้นอกจากเราจะพิจารณาแก้ไขถึง น, นั้นไม่ให้ามาแปดเปื้อนปายในจิตใจจึงสม คำว่ารักษาตก <c oughs> เรื่องมรรคผลนิพพานนั้นไม่มีปัญหาใดๆที่จะขึ้นอยู่กับไปเกี่ยวข้องกับธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไวน้แล้วว่าบกพ้องส่วนใดบ้างแต่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติคือพวกเราเองไม่มีที่อื่นเป็นที่ต่ำ ถ้าตำหนิต้องตำหนิตัวของเราเองจะประตำหนิการตำหนิสมัยว่ากลืนเอามรรคผลนิพพานไปหมดจนไม่มีเหลืออยู่ในสมัยปัจจุบันนี้เลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกจะประตำหนิสถานที่ว่าคืนอามรรคผลนิพพานไปหมดพระพุทธเจ้านิพพานอยู่โน้นและมรรคผลนิพพานหมดไปแล้วตัว้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานไปนานๆสถานที่นั้นไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่ผีพอที่จะกืนมรรคผลนิพพาน ยิ่งที่เกินมรรคผลนิพพานนั่นคืออะไรผีตัวสําคัญก็คือความก็คือกิเลสความโลภ ก, ก็เป็นผีตัวหนึ่งความโกรธเป็นผีตัวหนึ่งความรุ่มหลงงมงายเสื้อเสื้อเเป็นผีตัวหนึ่งราคะตัณหาแต่ละอย่างไม่อย่างเป็นผีตัวหนึ่งผีเหล่านี้แหละ ที่เกืนมรรคผลนิพพานไม่โผล่ออกมาได้เลยจนจมมิตรไม่มีเหลือแล้วผีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ซึ่งถูกสะบาดแย่งจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจนกระทั่งมีในพระโอาวาสสอนให้ชำระต่างให้ปราบปรามสิ่งเหล่านีนน้มันอยู่ที่ไหนเวลานี้ก็อยู่ที่หัวใจของเราทุกๆ ท, ท่านเมื่อเราเห็น ธรรมะของเมื่อเราทราบแล้วว่าธรรมะท่านทรงตำาหน่งสิ่งเหล่านี้และทรงจักสอนให้แก้ไขถอดถอนหรือปราบปรามด้วยวิธีการใดเราต้องพยายามทำตามวิธีการนั้นไม่ลดละท้อถอยถ้าต้องการมรรคุนิพพานไม่ต้องการผีคือพิเล็กเหล่านั้นมา กลืนหัวใจเราซึ่งเป็นของมีคาม่ามากให้หมดคุณค่าไปโดยลำดับัๆจนเป็นโมฆะพิสุขเราต้องพยายามมีความเข้มแข็งเป็นสำคัญทำสิ่งใดให้มีความจริงจังมีเจตนามีสติอยู่กับสิ่งที่ทำนั้นอย่าทำศัก์แต่ว่าทำมอมอง้าลอยจิดลอยอย่างนั้นไม่ใช่ กิริยาของพระผู้เป็นสิทธะกพจะนั่งน้ายใจสิทธาคต็ต้องเป็นผู้มีสติธรรมะตัวภาวนาธรำบทใดให้มีสติจดจ่ออยู่กับธรรมบทนั้นไปที่ไหนให้มีสติอยู่กับตัวเดินไปวินทบาตก็เท่ากับเดินตรงตรงไม่สนใจจะคุยอะไรอะไรกับใครทั้งนั้นนอกจากดูหัวใจที่แสดง อาการอย่างไดขึ้นมาซึ่งส่วนมากก็มีแต่ส่วนสังสมเกลิศอันแสดงขึ้นมาอยู่เสมอนในเวลาที่เผลอเราเผลอสติจึงต้องระมัดระวังเดินจงกรมไปบินธบาตในบ้านอทิึงเรียกโคจรบินธบาตคารั้งพุทธการท่านบอกไปโปรดสัตว์ทําไมจึงเรียวกว่าไปโปรดสัตว์ก็ว่า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 จึงสมนามว่าโปรดสัดจริงๆเพราะท่านไม่มีอะไรอาเบนตมาศก็ไม่มีความโลภในอาหารแทกแซงขึ้นภายในจิตเลยไปตามกาลตามเวลาไปตามความจำเป็นของเหตุของผลของอัด ร, รมและถาดขันอยังอาหารมาขบริโภคขุดฉันให้พ อ, อยังคิดให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเรียกว่ายาปนัด แต่ว่าเยียวยากันไปทไํานั้นี่เรียกว่าโปรดได้โดยสมบุกสมัยทุกวันนี้มันตรงกันท้าเนี้ยเราอยากเข้าใจเพราะงั้นเราจรึงไม่กล้าจะพูดว่าไปโปรดสัตว์ได้เหมือนข้างพุทธกาลไปให้สัตว์โปรดนั้นถูกเราก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งกี้เหลเต็มตัวศกดิโปรภบกรุงหลังความโลภ ก, ก็ ไม่ผิดกับค า, ารวาสเขาดีไม่ดีความโลภมากกว่าค า, ารวาสเขาอย่างลึกลับเหมือนไฟไม่เปล่งพระองค์หนึ่งหนึ่งมีเงินเป็นจำนวนแสนแสนล้านล้านด้วยการสะสมไม่สนใจทีจะสลับบริจาคให้ทานเพื่อเพื่อนมนุษย์ผู้ได้รับความทุกข์ความอยากลำบากสสมกับว่าเป็นลูกศิตยาพุทธผู้เต็มไปด้วยจิตเมตตา ทำโลกรกะลายมากของเขาความโกรธใครมาแตะไม่ได้พระเป็นตัวที่มีทิฏฐิมานะจักที่สุดเพราะอาศัยศีลหรืออาศัยความเป็นพระมาเป็นโลบังหน้าแล้วสนุกสั่งสมกิเลสสนุกสั่งสมทิฏฐิมานะขึ้นมาด้วยยศถาบรรดาจาับเป็นพระแล้วยังไม่แล้วยังเป็นพระครูบนไปย์ดีการเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณขึ้นไปไเรื่อย ถาเราหลงเมื่อไหรก่ก็นั้นแหละตัวเสนีย์จำนไยมันอยู่ตรงนั้นล้วจะไปโปรดสัตว์ได้ยางไงเนี่ยเขาสัตว์เขาโปรดเราบินถมาตา์เขแย่งกันยิ่งกว่าทุนนาเราพูดตามหลักความจริงที่เห็นที่รู้อยู่กับตาอันนี้ใครปฏิเสธไม่ได้เดินเข้าไปในกรุงเทพก็รู้เราจะไม่บอกอย่างนั้นย่างนี้มันมีแล้วมันดนูได้มา นั่นแหละถ้าใจไม่มีธรรมที่อย่างเดียวมันก็เหมือนกับสัตว์ทั้งๆ ท, ท, ที่ผ้าเหลืองห่อตัวหุ่นตัวอยู่นั่นแหละว่าตัวเองก็สำคัญว่าตนเป็นพระถ้าทำอย่างนั้นได้อย่างไรนี่มันก็ทาได้เพราะี่เลสพาให้ทาความโลภพาให้ทำการทิฏฐิมณะก็จับใครจะสังสมทิฏฐิมนะอย่างลึกลับจัดยิ่งกว่าพระ เพรญาติาโยมเขาจะพูดอะไรก็ไม่อยากพูดเพราะเห็นเพระเห็นผ้าเหลืองติดตัวเขารบผ้าเหลืองผู้ที่เอาผ้าเหลืองเป็นโล่บังหน้าก็สนกุกสร้งสมความชั่วช้าหลาโมกขึ้นเใ็่ตัวของตัวไม่มีความรู้สึกตัวเลยอย่างนี้จะเรียกว่าไปโปรดษาได้หราอไรเอาอะไรไปโปรดเขาทําแม่นิดเดียวก็ไม่มีในใจถ้ามีในใจไปแย่งกันทําไหมเวลาบินสบาย ไม่ใช่หมาแย่งกัดกันแย่งอาหารกันเท่า น, นั้นเรียกว่าโปรดได้ยังต้องเรียกว่าเขาโปรดถึงจะถูกนี่มันตรงเปนข้าวไม่เห ล, ลืองเอาถ้าพระเราตั้งใจมาเพื่อปฏิบัติตามหลักธรรมที่นายที่ตถาคตทรงสั่งสอนไว้โดยชอบธรรมและพระเมตตาล้นล้นนี้แล้วถ้าจะจนถ้าจะตายเพราะไม่มีใครให้ทานก็ขอขอให้ดูสถีให้ได้เห็นศาสนาของพระเจ้าที่สอนไว้ ว่าโดยถูกตองนั้นจะขัดแย้งกับอันนี้หัหเบินธบัตไปด้วยอดด้วยธรรมไม่มุ่งหวังอาหารลากยศอะไรทั้งนั้นแนละไปตามอดตามธรรมโครจรบินธบัตดังท่านแสดงไว้แบบปิณยาโปรปโกชนางนิสา่าประภชาแต่เตยยาวจีวังอุสรหูกรลังนี้อยู่ธรรมชาติทั้งหมดแล้วทา่านทั้งหีายวบินธบัด มาแันด้วยกําลังปีแก่งของตนและพึงทํงอย่ า, ททางอุตส่าห์ทำความวิสัยไปตลอดชีวิตเถิดเพราะนี้เป็นงานที่ชอบทําอย่างยิ่งแล้วกับท่านทั้งหลายนไปบินตมา ต, มาตแล้วก็ไปแบบกี่ า, าจะว่าโปรดเราโปรดเขาก็พอพูดได้ดีเลย เดินไปถึงไหนจิตกับตัวอย่าให้พลาดเคลื่อนจากความเพียรผู้ต้องการถอดถอนกิเลสกิเลสมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจทุกเวลาให้เห็นภัยของมันเสมอทุกอหตุบททุกอาการเคลื่อนไหวอย่าเผลอตัวอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของดีของวิเศษในโลกนี้มันเต็มไปด้วยโลกอนิจจังทุกขอังอนัตตาเดือดร้อนกันไปทุกข์หลอกยากเราอยากเข้าใจว่าจุดใดแดนใด สถ า, านที่ใดทวีบใดจะมีความสุขในโลกนี้ถ้ากิเลสจังฝังใจของตัดจนจมและพอกพูนขึ้นทุกวันทุกวันดังที่เห็นอยู่นี่แล้วเราจะหาความสุขไม่เจอเนาวไม่ต้องพูดว่าคนนั้นมีทรัพย์สมบัติมากคนนั้นมีความรู้ความฉลาดมากเรียนจบปัญญาตรีปรัญญาโทปัญญาเอกมหาบัณฑุอะไรก็ตาม อำนาจเป็นปัญญาอาการอันหนึ่งที่เสื่อมสั้นตั้นย่อขึ้นเพื่อนคนได้นับหน้าถือตาให้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงเป็นเครื่องส่งเสริมอํา น, น, นาจโฆษณาเป็นเรื่องของกิเลเสเศืษสั้นกันขึ้นหาความจริงไม่ได้ที่นี่กิเลตัวกิเลสจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่หน้ามันอยู่ที่จิตก่อกวนคนให้รับความทุกข์ความลำบากอยู่เช่นเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นชาติทัน้นวรณะนึง มีจนขนาดไหนจิเลศคงเป็นกิเลีศถึงเพียงนั้นเมื่อจิเลศคงเป็นจิเลศถึงพายในจิตใจแล้วกิเลศเคยให้ความสุขแก่คนที่หน น, นอกจากให้ความทุกข์โดยลำดับมากน้อยเท่าที่มีอยู่ภายในใจเท่านั้นหากว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ทาโลกให้สุขมีความสุขทาโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นของอัตจัมได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสอนให้ชำหนะาตอดถอนหรือปราตามกิเลศ ซึ่งถือว่าเป็นพิษภัยนี้ออกจากใจนอกจากจะทรงสั่งสอนให้ส่งเสริมและสงสมยี่เด็ดให้มากๆเท่านัน้นนีไม่มีในพระคัมภีร์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเราเป็นลูกศิษย์สถาพศทําไมจึงต้องฝืนความรู้ความเห็นความฉลาดจอมปราบทั้งสิ่ของพระพุธธพทธเจ้าเสมอฝืนประจานยี่เด็ดโดยไม่รู้สึกยี่เล็นั่เป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อตอ น, น จนลืมเนื้อลื ม, ลมตัวไม่เห็นว่ากิเลสนั้นเป็นไถ่เลยความคิดความเห็นคำพูดคำจาสียาการที่แสดงออกด้วยความอยากอยากที่นี่ใดประเภทใดไม่เคยนําสติปัรณาเข้าไปแยกแยะพิสูจน์ทั้งตวงกันบ้างพอเห็นแง่หนักเบาของการนากรรมและเห็นแง่ความผิดความถูกของการนาการบ้างเลยแล้วเราจะถือว่าเราแก้กิเลสที่ตรงไหน การเจีกิเลสต้องพิสูจน์กิเลสถึงจะรู้เรื่องพิสูจน์ความคิดความปรุงของตนพิสูจน์ความอยากนู้นอยากนี้อยากอะไรบ้างนิ่เลยมันบกพ้่องอยู่เสมอตามปกติแล้วคือความบกพ้่องมันถึงต้องอยากต้องหิวตาดูไม่มีวันอิ่มพอหูฟังไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเบื่อหน้าจมูกิ้นกายเครื่องสัมผัสสัมพันไม่มีสิ่งที่อิ่มพอ ในายทท่านกล่าวลงย่อๆนะรูปเสียงกิ่นลดเครื่องสัมผัสเป็นภัยท่นว่ า, าย่นเข้ามาถึงภิกษุเราพระหนอกับรูปเสียงกิ่นลดเครื่องสัมผัสที่ว่านี้คืออะไรที่เป็นภัยอย่างยิ่งมีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในประไตรปริฎกมีไม่มีรูปใดที่จะ แหลมคมที่ทิ่มแทงได้ลึกและเจ็บแสบที่สุดได้ยิ่งกว่ารูปของฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเป็นชายก็คือรูปหญิงถ้ารูปหญิงถ้าหญิงก็คือรูปชายเสียงไม่มีเสียงใดที่จะเฉียดแทงเข้าไปถึงขัวหัวใจยิ่งกว่าเสียงตรงกันข้ามเกลิ่นเนี่ยก็คือกลิ่นธรรมชาติกลิ่นนั้นเนี่ยกลิ่นของเพศนั้นเน่ะ ก็รสก็รสของเพศนั่นแหละที่มันทําบุตรตาฟางให้จบทำสตรีตาฟางให้จบทำสัตว์โลกให้จงท่านย่นเข้ามาให้ด้วยครับนี่เราเป็นนักบวชจึงควรระหณะอันนี้ให้ดีอย่าดื่มเนื้อดื่มตัวอย่าเห็นว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่มีความสุขความเจริญเป็นที่พออกพอใจไร้กังวลทั้งหลายมีความอยู่ เย็นเป็นสุขสะดวกสบายไม่มีท่าใจยังว้าวุ่นขุนมัวอยู่และมัวสุมอยู่กับกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งกิเลสสังสมขึ้นมาภาณาจายนี้อยู่แล้วเราจะไปโลกไหนเกิดกี่ร้อยชาติพันชาติก็าตามก็จะเป็นภาชนะรับรองกิเลสและกองทุกข์อยู่ร่างไปหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ถ้าไม่รีบแก้ไขเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ได้ รู้เหตุรู้ผลกันพอสมควรแล้วนะเพศของพระเป็นเพศที่ตอดภัยที่สุดเป็นเพศที่ไม่มีใครจ้องมองไม่มีใครเห็นถือว่าเป็นพิษเป็นภัยและเป็นเพศที่มีโอกาสในการบําเพ็ญผลประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นแต่สําคัญประโยชน์ตนนั้นเป็นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในเบื้องตน้นดังพระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญประโยชน์สําหรับพระองค์ ไม่ทรงสนพระไทยกับผู้ใดๆทั้งนั้นแม้ตั้งแต่พระยาศพวงก็ไม่เคยสนใจเกี่ยวข้องทรงบำเพ็ญอยู่ทึงหกพันษาหกพันพันษานั้นเรียกว่าแทบเป็นแทตายติดคุกติดารางยังไม่หนักเท่าพระพุทธเจ้าทรงสุขสนทรมานปราบปรามกิเลสต่อสู้กับกิเลสขณะกิเลสมันมันมีกําลังมากขนาดไหนมันได้รับความให้คนรับความทุกข์ขนาดไหนปราบปรามมัน ด้วยวิธีต่างๆนั้นได้รับความทุกข์ความลําบากขนาดไหนถ้ากิเลสเป็นสิ่งที่หลุดรอยไปได้งา่ายเหมือนจะเก็บไม้ด้วยแล้วก็ต้องไม่มีอะไรส่งสอนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงลําบากไม่ต้องสลบสลายมีปรากฏว่าสลบสลายทิงสามเหมือนกิเลสเหนียวไหมกิเลสเก่งไหมอุบายวิธีที่จะฝุกกิเลสนั้นก็เอาให้อย่างเต็มทุนพระพุทธเจ้าเจอรับความทุกข์ความลําบากเพราะต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกับนั่งมวย จมเปี้ยนขึ้นบนเวทีต่อยกันนั่นแหละใครจะเป็นฝ่ภายแพ้ฝ่ายชนะมันเจ็บด้วยกันทั้งนัง้นนีพระพุทธเจ้า ก, ก็เจบ็บ<ะ>ก่อนที่จะตัดสรูจนเจ็บจนสลบชลาไหลหเราเอาถือเอาหลักนี้มาเป็นกดป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องสอนใจเราอย่าเอาความคนง่วงงาเต่าดุนด้วยความซฉื่อยซาซาอันหาสารอะไรได้มาเป็นคติเครื่องนาําเราปกติเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ถึงขนาดนั้นก็ยัง เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันกับสิ่งไม่ดีนั่นอยู่แล้วโดยปกติเพราะกิเลสพาให้เปและสามวอกท่านที่บำเพ็ญเป็นสารณะของพวกเราถึงขั้นบริสุทธิ์พิมุตตพุทโทธภาในใจของท่านก็ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านทุ่มเทกำลังความสามารถลงไปอยู่ต่อสู้กับกิเลสยันสุดฝีมือไม่ไม่ตายก็ให้หรู้ไม่รู้ก็าตายขนาดนั้นะ กิเลสมันเหนียวไหมเราพิจารณาเราจะเอาปุกไปสายไมท้ทางต้นมันได้เรื่องอะไร mm hmm. ทำกลมเกลียงก็เดินจำกลมเกลียวยบหยบหยบหยบไปสองสามเก้าช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้มองรู้ต้งแต่หมอนมันได้เรื่องอะไรเรารู้ไหมว่ากิเลสมันปัดหัวใส่หมอนนั่นทักหัวลงสนที่นอนหมอนโมงเราไม่คีด เวลาจะประกอบความพากเพียนกลัวแต่จะตายกลัวแต่จะลําบากลําบนบทเวลากิเลสเยียบย่ทำทําลายอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันสว่างสางสาลม้างเลยนั้นไม่คิดไม่นึกเราจะหาทางถอดถอนกิเลสได้อย่างไรถ้าไม่คิดในเนี้ยของกิเลสก็เป็นไปถ้าคิดอย่างนั้นเนี้ยจิตใจก็ต้องจดจ่อกันอยู่โดยสม่ำเสมอในียบบทต่างๆจะมีสติสามาระกังตัว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 เราอยากเข้าใจว่ากิเลสมันอ่อนโดนนิ่มนวลอยาจะรู้กับมันก็ให้เวลาเท่าต่อสู้มันนั่นแหละจะเห็นว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหนเราแพ้มันทุกถี่แล้วมันจะอ่อนนุ่มได้อย่างไรเมื่อมันแพ้มันทุกถี่ทุกถี่เดินจมกรมก็แพ้มันนั่งสมาธิก็แพ้จะภาวนาท่าไหนก็ไม่พ้นที่จะแพ้มันพ้าความทั้งเผลอ นั่นแหละเป็นของสำขัญดังนั้นก็ทําให้ความเปิดความขี้เกียจออนแอขึ้นมาความขี้เกียจออนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกเนี่ยมันมีแต่เรื่องกิเลสสวมรอยอยู่ตลอดเวลาแล้วธรรมะเราจะแทรกที่ไหนแทรกลงที่ความตั้งใจแทรกที่ความน้มัดระวังให้มีสตกไม่จะอยู่กับบทธรรมบทใดก็ต า, ามให้อยู่กับตัวจนเป็นสัมปะชัญยะ มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอขึ้น เ, เมื่อมีสติเป็นเครื่องรักษาย่อมไม่ถูกกิเลสมาทำลายย่อมไม่ถูกกิเลสรบวนไม่ถูกกิเลสเหยียดย่อมทำลายรักษาไปอยู่ไม่ถอยไม่หยุดไม่ถอยกิเลสก็ค่อยเบาลงไปเบาลงไปนี่คือวิธีการของผู้จะนำตนให้หลุดพ้นจากกุศ ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทึ่เป็นมัจจิ ม, มาคือท่ากลางแห่งมรรคผลนิพพานอยู่เส ม, มอและท่ากลางได้แก่ความเหมาะสมแห่งการแก้กิเลสทุกประเภทอยู่เส ม, มอไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะนอกเนื้อไปจากมาัจจิมาปฏิปทาของพระเ่ยวได้และไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะไม่ตายไม่คิดหายเพราะมาัจจิมาปฏิปทานี้ถ้าเรานำมาใช้ให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆ ด้วยความเอาจริงอาใจ อ, อันนี้อธิบายเปค่ีดีวยวก่อนาม่ยก